วันนี้เป็นวันพระภากันสมัชฐานสินไหวพระกันเช็นกอนอากาศเด็ดฝนฟ้าก็ตกลงมาสงสัยคงจะเปลี่ยนฤดู ก, กาลฝนเริ่มตกมีความชุม่มชื้นขึ้นมาเยอะญาติโยมพวกเราก็พากันไหวพระสมัสฐานสินกันนะอ่ะมีความสุข ก, กันทุกคน วันนี้อากาศเย็นสบายฝนฟ้าก็ตกลงมาตั้งแต่เชา้ามีโอกาสได้มาทำบุญถวายทานกันอากาศก็เย็นสบายเทวดาล่อยน้ำทิพย์ลงมาให้วันนี้ก็เป็นวันวันที่เท่าไหร่นะยีบห้าโนวันที่ยี่สิบห้าไกล ที่ใกล้จะถึงวันงานหล่อพระหล่อองค์หลวงพ่อโชธพรจำลองมาประดิษฐานไว้ที่วิหารพระยกมีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันมาช่วยกันมาช่วยกันหล่อมาช่วยกันเทนตรงกับวันที่วันที่สิบสองประมาณตักสามโมงกว่าสามโมงกว่าเก้าโมงเช้า ญาติโยมท่านใดปรารถนาอยากจะมาะบูชาก้อนทองก็ให้มาบูชาก้อนทองล้อมเป็นองค์พระวันที่12ถึงจะนำก้อนทองออกมาหรือว่าญาติโยมท่านใดปรารถนาที่จะเขียนชื่อเขียนนามสกุลลงแผ่นทองก็มาลงได้ตลอดเวลาเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิต มีโอกาสเราได้สร้างองค์แทนพระพุทธองค์องค์แทนพระพุทธเจ้าเป็นอเนกสองอันให ญ, ญ่ในระดับของสมมติในหลักธรรมแล้วเราต้องน้อมนาคาสอนของท่านมาปฏิบัติมาสร้างให้มีให้เกิดขึ้นในกายในใจของเราท่านสอนเรื่องอะไรเราก็ต้องพยายามศึกษาคนา้นคว้า สอนเรื่องอัตาอตาณตาการปล่อยการวางสอนเรื่องหลักของชีวิตหลักของอาริยรสัจสอนเรื่องชีวิตของเราว่ามีอะไรบ้างในกายก้อนนี้ซึ่งมีวิญญาณเข้ามาครองท่านให้ทีนีแนวทางบอกวิธีการแนวทางแล้วพวกเราก็น้อมมาปฏิบัติมาทำให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเรา ใจของเราเกิดกิเลสเราก็พยายามละกิเลสใจของเรามีความกังวลมีความผุงซ่านเราก็รู้จักดับรู้จักแก้ใจของเรามีความเจ็ดคลานเราก็พยายามสร้างความขยันหมั่นเพียรสร้างความรับผิดชอบให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเราถ้าเราสอนเราไม่ได้ก็ไม่มีใครจะสอนเราให้ได้เลยนอกจากตัวของเราส่วนแผนที่ วิธีการแนวทางพระพุทธองค์ทันใดค้นพบถึงได้เอามาเปิดเผยการเจริญสติเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้การแยกรูปแยกนามการคลายความหลงหรือว่าแยกรูปแยกนามเขาเรียกว่าความเห็นที่ถูกต้องแต่เราก็ ยังไม่เข้าถึงตรงนี้เพราะาการกระทาการเจริญสติยังไม่โตเนื่องอยังไม่แข็งแรงก็เลยเข้าไม่ถึงก็ได้แค่ทำบุญให้ทานสร้างบา ร, รมีส่วนอื่นทุกคนก็มีบุตรทุกคนก็มีบา ร, รมีแต่อาจจะอยู่ในระดับต่างกันเราก็พยายามมาสร้างมาทำความเข้าใจต่อให้มีให้เกิดขึ้นที่ใจของเรา มาทำความเข้าใจทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงทำไมใจถึงเป็นธาตของกิเลสเราจะเอาวิธีไหนเข้าไปดูแลแก้ไขนอกจากการเจริญสติตามแนวทางของพระพุทธองค์ลักษณะของคำวมสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันความรู้สึกรับรูดเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาลงที่กายของเราให้ได้เสียก่อน จนเอาไปใช้การใช้งานได้เอาไปอบรมใจของเราได้แก้ไขใจของเราได้จนปรากฏขึ้นที่ใจของเราการแยกรูปแยกน้ําการเดินปัญญาออกิเลสหยาบเป็นอย่างไรกิเลสละเอียดเป็นอย่างไรความเกิดความดับของความคิดของอารมณ์เป็นอย่างไรตรงนั้นแหละพุทธิพวกเราไม่ค่อยจะเข้าถึงกันก็ต้องพยายามลมและโลกขึ้นใหม่แก้ไขใหม่ปรับปรุงตัวเราใหม่ ศึกษากายของเรากายของเรานี่แหละสนามรบกายของเรานี่แหละตำลาพื้นใหญ่ที่ท่านบอกว่าเป็นกองเป็นขันขันทั้งห้าเป็นทุกคำว่าขันทั้งห้ามีอะไรบ้างเราก็ต้องสร้างผู้รู้ใจของเรานั้นเป็นธาตุรู้แต่เวลานี้เขาเขาทั้งเกิดทั้งเกิดทั้งหลงทั้งเป็นธาตุของกิเลสเราก็เจริญสติเข้าไปอบรมใจของเรา ชี้เหตุชี้ผลจนกว่าใจจะคลายออกจากขันท่าแยกรูปแยกนามได้เราก็จะเห็นเหตุเห็นผลเห็นการเกิดการดับของขันห่าเห็นการเกิดการดับของวิญญาณจนละกิเลสได้หมดจดจนไม่มีเรื่องอะไรที่จะเข้าไปแก้ไขจนอยู่ด้วยปัญญาล้วนๆอยู่ที่ไหนก็มีความสุขเหมือนกับเราได้เข้าวัดทาใจของเราให้เป็นพระ จเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระบ่อยๆจกวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันอ น, นิสงส์ผลบุญผลทานเราก็พยายามมันสร้างมันทำให้มีให้เกิดขึ้นจึง่อจะตืต่นขึ้นมาเรามีความขยันเรามีความรับผิด ช, ชอบสร้างความขยันมันเพียรให้เต็มเปี่ยม จนกว่าเราจะมองเห็นหนทางเดินจนกว่าเราจะละกิเลสเต็มหมดจดอะไรเป็นบุญอะไรเป็นประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สูงสุดคือความบริสุทธิ์ความดุดพ้นของใจเราก็ต้องพยายามกันใจของทุกคนนั้นสะอาดไม่แต่มาแต่เดิมความไม่เข้าใจ ถึงใจถึงได้เกิดมาสร้างพบมนุษย์ขึ้นมาแล้วก็มายึดมาติดขณะอยู่ในกายเขายังคิดส่งออกไปภายนอกอีกถ้าเรามาศึกษาให้หละเอียดให้ทําความเข้าใจให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นเราก็จะมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่ได้กลับมาเกิดกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนการทาบุญเห้ทานพวกเรามีโอกาสให้รีบทำ ทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็ปล่อยอนุโมทนาสาธุด้วยเราก็จะมีส่วนแห่งบุญพยายามพากันหลายสิ่งหลายย่างที่หลวงพอ่อพารมพาอนุเคราะห์หรือว่าสงเคราะห์ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่โอกาสจะเ อ, อื้ออำวยให้ ส่วนวันที่5มีนาคมก็จะมีผู้ใจบุญมาถ่ายชีวิตโคแม่ลูกหนึ่งคู่มีโอกาสก็มาร่วมกันทุกวันทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่าอย่าไปผลัดวันประกันพรุ่ง ดูรู้กายรู้ใจจนเป็นอัตโนมัติอันนี้เรื่องของกายอันนี้เรื่องของใจแต่เขาก็อาศัยกันอยู่อยู่ร่วมกันแต่ให้รู้ด้วยปัญญาให้ขัดเกลากิเลสด้วยสติด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลชี้เหตุชี้ผลเหตุผลทางธรรมก็มีเหตุผลทางโลกก็มีเหตุผลทางธรรมความแยกแยะขันห้าได้ซึ่งอะไรคือเป็นส่วนรูปอะไรคือเป็นส่วนนาม เราก็จะเห็นชัดเจนเหตุผลทางโลกก็ความถูกต้องในระดับของสมมุติความถูกต้องในระดับของธรรมคือความเป็นกลางไม่เข้าข้างตัวเองไม่เข้าข้างคนอื่นความเป็นกลางที่ใจวางว่างจากกิเลสวางว่างจากความยึดมั่นถือมั่นก็พากันไปทำกันนะอยากโยมท่านใดปรารถนาที่อยากจะมาตั้งโรงทานก็มาได้อยากจะเอาน้ำเดิมมาถวายเอาไว้ที่งทานก็มาได้ เรามีโอกาสใครใครตั้งลงทานก็ามาตั้งลงทานหรือว่าน้อมกายเข้ามาช่วยน้อมใจของเราเข้ามาช่วยมาอนุโมทนาสาธุร่วมกันเรามาช่วยกันสร้างกองบุญอันยิ่งใหญ่ในระดับคงสมมุติฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ในกายของเราฝากเอาไว้ในใจของเราวันนี้หลวงปอก็จะขออนุญาตทุกคนทั้งพระทั้งชีได้ลงไปที่ปากตรงชัย ก็เพื่อที่จะไปดูสถานที่ที่จะวางเจดีย์ใหญ่อีกจุดหนึ่งอยู่ที่โน่นสหารที่ที่โยมถวายเอาไว้ประมาณทักรวมห้าร้อยกุไลจะได้ไปกําหนดเขตที่จะลงมหาเจดีย์ใหญ่อจิใหญ่กว่าที่นี่ประมาณทักงเท่าเพราะว่าสถานที่ใหญ่ ทางโน้นก็จะได้ไปกำหนดว่าจะตั้งตรงไหนอยู่ตรงไหนจะได้สร้างกุติวิหารต่างๆเอาไว้ให้ทำลงทานเอาไว้ในเมื่อเราไปลงที่โน้นแล้วการงานก็จะได้ไ ด, ดำเนินไปได้ไม่ได้ลำบากเดี๋ยวนี้ก็เห็นว่าให้เดี๋ยวนี้ก็ขุดบ่อขุดสะใหญ่น้ำกว่าเต็มบ่อ ไปปรับปรุงาหารที่อะไรพอทำก่อนได้ก็จะให้ทำไปก้อนจนกว่าทางเจดีย์ทางคดเกนของเราหรือว่าที่วัดของเราเบาบางลงไปก็จะได้ลงไปสร้างมาหาเจดีย์ใหญ่อยู่ที่โน่นก็บอกกล่าวพี่น้องเราทุกคนมีโอกาสได้มาร่วมกันมาช่วยกันส่วนทางวัดของเราก็ดำเนินไปทุกวัน ก็ค่อยสร้างค่อยทับไปทุกวันเทวดาก็มาช่วยเทวดาที่มีกายเนื้อเทวดาที่ไม่มีกายเนื้อก็มาร่วมกันมาช่วยกันสักวันหนึ่งก็คงจะสําเร็จไม่สําเร็จเร็วก็สําเร็จช้าตามกําหนดเวลาก็คงจะไม่เกิน5ปีก็คงจะเรียบร้อยดีที่วัดของเราเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็รอประชุมกันเข้า รอการรอเวลาเท่านั้นส่วนบันที่สิบสองก็อย่าลืมกันมาร่วมกันมาช่วยกันมาหล่อองค์พระพุทธรูปจำลองหลวงพ่อโสธรหรือว่าองค์แทนของพระพุทธองค์ก็บอกกล่าวกันทุกคนใครอยากจะนาปืนมาร่วม มาช่วยกันหล่อหลอมทองก็มาได้หรือว่าใครอยากจะนำทานทานหุงข้าวของเรล่านี่แหละคนละถุงสองถุงถุงปุ๋ยประมาณสัก50าสิบถุงที่จะใช้ในการหลอมอทองเหลืองทองคำที่จะหล่อหลอมเป็นองค์พระเรามีโอกาสเราก็เอามาร่วมกันได้ตลอดเวลาบุญเกิดไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน อย่าไปเลือกการเลือกเวลาพวกเรามีความพร้อมวันนี้ญาติโยมท่านใดหรือว่าพระชีที่จะไป <c oughs> ปักธงชัยหลังจากฉันเข้าเสร็จก็ให้เตรียมพร้อมหรือว่าญาติโยมท่านใดอยากจะไปด้วยก็ไปได้ไปไปร่วมกันได้เลยค่อยไปเรื่อยๆวันพรุ่งนี้ถึงจะได้กลับไปกำหนด สหารที่เชกร <c oughs> อร์ญาติโยมก็ถาวายไว้ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาก่อนที่หลวงพว่อจะป่วยถวายเอาไว้ก็เลยให้เคลียร์พื้นที่เอาไว้สถานที่สวยงามอยู่บน อ, อ, อ, อ, อยู่บนเขาเ ป, เป็นพื้นราบบนเขาเอมองไปรอบข้างภูเขาล้อมรอบเป็นรั้ว จะทำให้เป็นแหล่งบุญใหญ่อีกสักจุดหนึ่งเป็นจุดุนกลางของประเทศเป็นหลักชัยของประเทศท่านถึงว่าปักธงชัยอยู่ที่โน่นกำลังทหารท่านไปช่วยเยอะกองพลทหารกำลังของทหารท่านไปช่วยเยอะก็เรามีโอกาสก็จะได้ไปร่วมกัน ก็คงอีกไม่นานก็คงอีกไม่นานประมาณทักปีสองปีนี่ก็คงจะไปเริ่มลงวักวางหลักฐานจะได้ไปให้ช่างเขากำหนดเจาะดินมาตรวจเช็กก่อนว่าจะใช้เข็มเจาะหรือว่าเข็มตกมวันวันวันนี้ก็จะได้ไปกัน อ๋อดังแกลพรเหตาวริวาาปูราปริปุเรนไตยสาครังเอวะไมวะอิตูทินนังเปตานังอุปกปเติอิชิตังปชิตังตุมหังจิปะเมยวะสมิสตุสพเพปุเรนตุสังกปา อันโหปนารโสยถธรมนิโชติระโสยัถานเฮีันชันดูซาปโรโคเนานเต็มพวันบันดรายโอสุขีทิคายุก ทิวันธนสิริสานิจังบุทธาจายนุรุธธรัมวัตรันติอายุวันุสุขังอัลลังยนจ โหทักขีนาสังฆมิสุปฏิติตาธิคารตังอิายัตสทนสุปการ ติทรมโมจะอยังนิทัติโตเปตานปูชาจกตาปรัญจะภิกขุนมโนปะทินังตุมิปุญญงอนาปกันติปวตุสาพพมังขลังลักขันตุสามะ เทวตาพุทธานุภาเวนัสธาสดีพวันตุเต พมังกลังลักขันตุสามภเทวะตาสามภธรรมมานเวนัสัตถสุติภวันตุเตปวัตุสามพมังกลังตุสามภเทวะตาสามภสังฆานุ บาวินสัธาสุติบาวันตุเ ต, ต, ตอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจของตัวเราให้ชัดเจน นั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายหยุดความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆเอาไว้ถึงเราดับไม่ได้เราละไม่ได้ก็ขอให้หยุดความคิดโดยการสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายา ว, ยาวเรื่องการหายใจเข้าออกพวกเราก็พยายามหัดสังเกตหัดสร้างความรู้ตัวให้เป็นธรรมชาติที่สุด เราอย่าไปเพ่งถ้าเราเอาสมองไปเพ่งสมองก็จะตรึงเครียดถ้าเราเอาใจไปจดจอ่อหน้าอกก็จะแน่นเราพยายามสูดลมหายใจให้เป็นธรรมชาติที่สุดพยายามผัดสังเกตว่าการหายใจเข้าที่เป็นธรรมชาติเป็นลักษณะอย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้อยู่ให้ต่อเนื่องคอริโอสติสัมปชัญญะ พวกเราจงพยายามสร้างขึ้นมา้ง แ, แต่ยังไม่ลุกจากที่พอตื่นขึ้นรู้ตัวปุ๊บสร้างความรู้สึกกุฎิการหายใจเข้าออกปับ๊บทันทีเลยจะลุกจะกล่าวจะเดินจะเข้าห้องช่มห้องน้ําเราก็เปลี่ยนความรู้สึกกุฎิการเดินก็ได้เพราะว่ากําลังทัติของเรายังเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้เราก็พยายามสร้างเราพยายามประคับประคองให้ต่อเนื่องให้ได้เช่นก่อน อันนี้เป็นพื้นฐานในการที่จะเข้าไปดูใจเลยทีเดียวรู้ไม่ทันการเกิดของใจรู้ไม่ทันการเกิดการดับของความคิดเราก็ดับเอาไว้ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสมถะดับอยู่กับลมหายใจของเรา จนกาลังความรู้ตัวของเราเข้มแข็งต่อเนื่องรู้เห็นลักษณะใจการเกิดของใจการเกิดของความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดหรือว่าอาการหกขันห้าเขาปรุงแต่งขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรถ้าเรารู้เห็นตรงนั้นปุ๊บใจอยากดีดออกจากความคิดใจจะหงายเหมือนกับหงายของที่ความใจก็จะว่างกายก็จะเบา ความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่ยตามเห็นการเกิดการดับของความคิดซึ่งเราว่าเห็นขันห้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่ท่านบอกว่าไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของความคิดความไม่มีตัวมีตนของความคิดแต่ใจของเราเขาไปหลงเข้าไปรวมทําให้เกิดอัตราตัวตนกายก็เลยหนักใจก็เลยหนักถ้าเรามาศึกษาทําความเข้าใจให้ละเอียดจริงๆเราก็จะเห็นต้องเป็นบุคคลที่ขยันมันเพีย มันขัดเก่ากิเลตออกจากใจของเราตามความเป็นจริงนั้นใจเขาหลงมาตั้งนานหลงมาเกิดเกิดอยู่ในภพน้อยเกิดอยู่ในภพใหญ่จนถึงเวลามาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มาสร้างขันห้าปิดกั้นตัวตัวใจเอาไว้อีกทีหนึง่งท่านถึงให้เจริญสติตัวใหม่ให้เข้มแข็งเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปอบรมจนใจคลายได้ ความเห็นโูกถึงจะเปิดทางให้หรือว่าสัมมาทิธฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกายของตัวเราเห็นขันห้าเป็นกองเป็นขันรู้อันนี้ส่วนรูปนะอันนี้ส่วนนามนะ ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้ใจที่ปล่อยวางเป็นอย่างนี้เราพยายามทำเธอการทําบุญให้ทานทางด้านวัตถุทานทุกคนพากันทํามาตลอดทํามากันเต็มเปี่ยมตั้งแต่พ่อแม่ปุยญาตายายพาทําพาสร้างมาแต่การจเจริญสติเข้าไปชี้เหตุที้ผลจนรู้แจ้งเห็นจริง เพียงแค่แยกรูปแยกนามได้ก็ยังไม่พออันนี้เพียงแค่เปิดทางสมาทิฏฐิข้อแรกในการเดินทางการพูดจาชอบดำรีชอบการงานชอบการพิจารณาสมาธิชอบใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้กิเลสอยากเป็นอย่างนี้กิเลสละเอียดเป็นอย่างนี้ น, น, น, นิวรธรรมมนฑินต่างๆที่เกิดจากใจของเราแม้แต่ความเกิดของใจเราก็ต้องดับ ใจไม่เกิดใจที่ปราศจากกิเลสปล่อยวางใจให้เป็นอิสระภาพอีกนั่นแหละใจเที่ยงนิพพานถึงเที่ยงนิพพานก็อยู่ที่ใจของเราถ้าใจของเรายังเกิดยังวิ่งยังมีกิเลสอยู่เราก็จะไม่เจอ น, นิพพานนิพพานหมายถึงความบริสุทธิ์ ดับความเกิดมองเห็นหุนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันอย่าพากันประมาททุกลมหายใจเข้าออกมีคุณค่ามากมายมหาศาลมีโอกาสไม่ว่าบุญสมมุติบุญวิ ม, มุิเราก็พยายามทำให้เต็มเปี่ยมจนกว่าจะหมดลมหายใจ ก็ต้องพยายามกันอะสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันทักนิดหนึงก็ยังดีดีกว่าไม่ทําทําใจให้ว่างสมองให้โล่งทํากายให้โปรง่งมีความรู้สึกรับรู้อยู่ที่ปลายจมกูกของเราอยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขณะนี้ก็ให้รู้ว่าลมวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมกูกของเราให้ชัดเจนกันนะ อ่ากันไหวพระ พ, พร้อมกัน่ากันไปศึกษาทำความเข้าใจต่อให้รู้ทุกเรียบท